ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่4เมษายน2547เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้แท้ของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานศรีสะอุโงก ขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัตรนี้นวันนี้เป็นวันเริ่มงานปลุกเศกพระแท้ๆนะไม่ใช่ปลุกเศกอิดหินดินปูนไม่ใช่ ปลุกเสกพระเครื่องพระบูชาหรือปลุกเสกเครื่องรางของขลังตามที่เขาทํากันฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองอแต่ปลุกเสกคนเราปลุกเสกคนปลุกเสกมันเพี้ยนมาจากภาษาบาลีว่าอภิเสกอภิเสกพุทธาอภิเสกก็คือพุทธบวกอภิเสกอภิเสกก็ทําให้ขึ้นให้ยิ่งใหญ่ กรกระทำขึ้นสร้างขึ้ น, นจะไปประกอบอยังไงก็แล้วแต่สามารถบรรดาลสามารถเนรมิตสามารถทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้อย่างพิเศษอย่างยิ่งใหญ่อย่างอภิอย่างยิ่ ง, ง, งทำให้เกิดให้เป็นอะไรขึ้นมาได้เราจะทำให้เกิดเป็นพระให้คนนี้เป็นพระแม่แต่เป็นคราวาดเราก็เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐได้ พระแปลว่าผู้ประเสริฐเนโดยเนื้อหาโดยความหมายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ประเสริฐได้เจริญได้เพราะงั้นงานนี้เรามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาปฏิบัติกันมาเรียนรู้กันมารับธรรมะทั้งปริยัติสัจธรรมปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธรรมปฏิเวทสัจธรรมที่เรียกว่าสัจธรรมสมมีสัจธรรมสาม อันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ของศาสนาพระพุทธเจ้าสัทธรรมหมายความว่าธรรมะแท้ๆธรรมะจริงๆธรรมะที่ถูกต้องสัทสัทธรรมสรรมที่ดีธรรมะที่ดีแทๆ้ๆถูกแทๆ้ๆสัจธรรมเพราะประยัดสัทธรรมเราก็มาเรียนแม้แต่ประหยัดหรือฟังฟังภาษาความรู้นำไปก่อนเป็น ความรู้ทางตัวหนังสือทางทฤษฎีทางความรู้ความเข้าใจเป็นเหตุเป็นเรื่องที่จะเริ่มต้นรับรู้และเข้าใจถึงขั้นเป็นศรัทธาในระดับหนึ่งคือเชื่อถือฟังแล้วก็โอ้เชื่อถือเสร็จแล้วไปปฏิบัติเป็นปฏิบัติศัทธธรรม เป็นการปฏิบัติให้ถูกตรงให้เกิดธรรมะที่แท้ธรรมะที่ดีตามนั้นให้ตรงเป็นศัตธรรมปฏิบัติศัตธรรมเมื่อเกิดการปฏิบัติที่ดีที่ถูกแท้ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดผลเกิดปฏิเวทสัตรธรรมเกิดการรู้แจ้งแทงทะลุเกิดผ ล, ดลและก็รู้จักผลด้วยปฏิเวทหมายความว่าทำทะลุทะลวงผลนั้นเกิดไปอย่าง ถึงที่ถึงที่และมีการรู้แจ้งด้วยมีการรู้การเห็นการเข้าใจการสัมผัสรู้ไม่ใช่รู้แต่เข้าใจเฉยๆสัมผัสรู้สัมผัสเห็นเป็นชานาติเป็นปัจสติชานาติแปลว่ารู้ปัจสติแปลว่าเห็นแต่มันไม่ได้ใช้ลูกตาไม่ได้ใช้ตาลูกตานี่เห็นใช้ยานข้างในเห็นแม้เป็นนามธรรมนาะ เป็นเวทนาเป็นอารมณ์เป็นอาการกิเลสในใจเราก็เห็นรู้จับสัมผัสได้เลยว่ามันอาการมันเกิดอยู่ทีเดียวนี่อาการกิเลสกําลังเกิดในใจเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ตามที่ได้เรียนปริยัติมาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลไหมถูกต้องไหมเราก็จะรู้จะเห็นการปฏิบัตินั้น ปฏิบัติของเรานี่ยทำใจในใจอย่างไรทํากายอย่างไรว่าทําวจีอย่างไรปรับขบวนท่าของสังกัปปวาจากรรมันตะอาชีวะซึ่งเป็นองค์ธรรมของมรรคแปดที่เป็นตัวปฏิบัติสังกปะก็ความเป็นจิตเป็นในจิตจะกํามมิทนึกคิดอย่างไรมันมีกิเลสมาร่วมอยู่ในจิตอย่างไรหรือวาจาของเราออกมาเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มเป็นวัจีสังขารมันตุงขึ้นอยู่ยในจิตยังไม่ทันออกมาทางนอก มันปรุงขึ้นมาแล้วมันจะออกมาเป็นจจิตเราก็มีจิตของเรามุทุธาเป็นจิตที่แววไวเป็นจิตที่มีปฏิภานเร็วไวนะไม่งโง่ไม่งื่องไม่เสือ่อมไม่ซึมปราดเปรียวแววไวรู้ทันแล้วก็ดัดจิตปรับจิตของเราดัดมันปรับมันให้มันไปตามที่เราเห็นว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่ในจิตนี่อาการทางจิตต้องไปทางนี้ ทางนี้ไม่ไปจะโดวยวิธีใช้พลังกดข่มพลังสมถะลวลาพลังสูตรตรงๆเลยเอาอำนาจทีิแรงนี่ในใจมีก็ได้หรือยิ่งสำคัญคือพลังวิปัสนาพลังที่เห็นรู้ด้วยปัญญานะเข้าใจเหตุเข้าใจผลเอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานความจริง เอาตัวอย่างของผู้ที่ศึกษาแล้วบรรลุแล้วก็ตามเอาอะไรก็แล้วแต่หรือผลของเราเองที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นเป็นผลเอามาอ้างอามายืนยันไม่ใช่ว่ากดขม่มมันไม่ใช่ว่าไปทําลืมๆไม่ใช่ว่าทิ้งมันโจกครั้งโจกคราวทําให้มันะระงับไปโจกครัง้งโจกคราว โ, โดยวิธีกดขม่มวิธีทิ้งๆวิธีลืมลืมวิธีปล่อยวางซื่อบือ้อปล่อยวางไปดื้อๆง่ายๆ ไ, ๆไม่เอาไม่เอามาละอะไรเฉยเงี้ยไม่ใช่ แต่กิเลสมันจะจางคลายลงลดลงเพราะมันจำนนต่อความจริงต่อเหตุผลหลักฐานความจริงมันดีจริงๆมันไม่ดีจริงๆมันต้องยดทฤษฎีจริงๆมันต้องยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันจำนนต่อสัจจะความจริงแล้วมันก็ลดละจางคลายไป อยังไม่ต้องไปใช้แรงกดแรงขม่มไม่ต้องทำทิ้งทำลืมไม่ต้องทำเป็นวางเฉยประเภทซื่อบื้ออะไรไม่ใช่แต่ด้วยหลักฐานความจริงจำนวนต่อความจริงเอากิเลสมันลดอย่างนี้เรียกวิวปัสสนาวิธีหรือ บ, บรรลุวิปัสสนาบรรลุเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาธรรมมาตการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะรู้จะเห็นด้วย มีการรู้การเห็นว่าปฏิบัติเออได้ผลก็รู้ว่าได้ผลจนกระ ท, ทั่งถึงแม้อารมณ์ที่ได้ผลแล้วมันระงับแล้วมันสงบลงแล้วหรือจางคลายลงบ้างก็ตามเออแต่ก่อนนี้มันแรงเนี่มันทุกข์แย่เพราะมันจางคลายลงบ้างทุกข์มันเพ่าลงภาระมันเพลาลงมันจะเห็นความจริงตามที่เราเองเราเป็นอยู่มันดับสนิทโอ้โหว่างโล่งสบายหมดภาระสุขสงบเป็นวุปสมรสุข เราก็จะได้รับรถวูววปิสโมโอสุกหรือวิมุตติรถรถที่หลุดพน้นรถที่เป็นธรรมรถระดับดับกิเลสอะไรองี้เป็นตน้นซิ่งเรื่านี้ไม่ใช่พูดปากเปล่าไม่ใช่ว่าเราเรียนไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นยังไงแม้จะเป็นนามนามธรรมามันยากใช่ไหมระดับนามธรรมเนี่ยมันยากแต่มันเกี่ยวข้องกับรูปธรรมด้วยเพราะปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จะไป น, นั่งหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังมืดตื่อไม่รู้เรื่อง แล้วเเข้าใจผิดด้วยว่าดับก็คือดับจิตที่มันไม่รู้เรื่องไปอีกมันเลยเลยเถิดไปใหญ่เลยดับไปมันเนี่ยนิโรดนิโรดก็คือดับจิตไม่คิดไม่นึกไ ม, ไม่รับรู้อะไรเลยเป็นอสัญญีสัตว์ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานานแล้วก็เละเอะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ทางหนึ่งประโยชน์ทางแบบโลกีมันจะไปเอาโลกุตระจะเอามาใช้ทางโลกุตระก็ได้ถ้าทาจิตไปอยู่ในภวัง จะดับหัดดับบัางก็ออยังได้เลยฝึกดับจิตเป็นอสัญญาสัตว์ดับไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เรียนรู้เราเรียนรู้ว่าโอทําอย่างงี้เป็นอย่างนี้ได้เลยเลยแล้วมันเป็นยังไงอารมณ์จะเป็นยังไงอารมณ์มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรดับแับปีไปไม่รู้เรื่องอะไรไปพรหมลูกฟักถดับได้แข็งแรงเนี่ยนั่งแข็งเข้ามาพลิกเข้ามาไอ้ข้างนอกก็ไม่รู้เรื่องข้างในไม่รู้เรื่องเขาเรียกพรหมลูกฟักผักลงไปก็ล้มไปเหมือนก้อนท่อนไม้ กิ่งโคลอยู่บนลูกฟักลมกิ่งเนื้อน่ะไม่รู้เรื่องแข็งนิ่งดับหมดเลยนะั่นดับสนิทเขาทำกันได้ถึงขนาดนั้นฝึกจริงๆมันก็ได้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ก็นิ่งสงบหยุดจิตไปพักหนึ่งเพราะงั้นพลังงานทางกายก็จะใช้น้อยใช้อ่อนมากเลยฤษีเขาเล่นกันโอ้เล่นกันเก่งๆใช้พลังงานน้อยจนกระทั่งมันใช้น้อย น, น้อย จนเอาไปฝังดินไว้ตั้ง20กว่าวันออกมาเนี่ยเขาก็ยังไม่สู่ไม่ซีดเลยเพราะใช้พลังงานน้อยมันไม่ต้องจ่ายอะไรแต่ใด ไ, ไม่ต้องสังเ ค, คราะห์อะไรกันามากเมื่อเพวกกบจำศีลนะทนพวกนี้มันก็ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้อย่างนั้นแนหะประโยชน์อย่างนั้นจะจะอาศัยประโยชน์มันนะนะมันก็ได้อาตมาค่อยๆอธิบายธรรมะพวกนี้เป็นแนวลึกก็ค่อยๆ อ, อ, อธิบายไปอะไรแต่ใดละลายละเอียด ต, ต่างๆความแตกต่างความหลงผิด ถูกเป็นยังไงผิดเป็นยังไงอาตมาอธิบายมา30สกว่าปีได้ไหมอธิบายมาได้ไม่น้อยเหมือนกันนี่ยถ้าใครตั้งใจฟังใครมีปัญญาดีก็ได้รับความรู้นั้นครบหรือว่ามากแต่ใครปัญญาน้อยอธิบายมา30ปีแล้วก็ยังมือไปยังรู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็เป็นจริงนะไปบังคับกันไม่ได้หรอกทุกคนอยากเข้าใจแต่บารมีมีแค่นั้นนะวิบากของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่ต้องไปคมกันไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนกันมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้แต่อยากได้มันก็ได้เท่านี้ก็ตั้งใจเอาก็แล้วกันฝึกฝนไปก็จะเพิ่มภูมิเพิ่มความเจริญเพิ่มไปความเป็นอริยะของเราขึ้นไปตามลำดับนะตอนนี้สังคมของชาวอาโศกเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมีศีลสามั ญ, ญตามีทิฏฐิสามั ญ, ญตาหมายความว่า มีหลักเกณฑ์ศีนี่คือหลักเกณฑ์นะศีนี่คือหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัตินะเข้าใจตรงกันหลักเกณฑ์ต่างๆนี่เราปรับอยู่เรื่อยเพราะหลักเกณฑ์มันมันบางทีมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวมันจะมีข้อปลีกย่อยต่างกันไปนิดๆหน่อยๆแต่เป้าหมายหลักของเราตรงกันนะเป้าหมายหลักของเราคือทิศที่ ทิธิคือความเห็นหรือลัทธิทิธินี่แปลว่าความเห็นหรือลัทธิถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็ทฤษดีทฤษดีทิฐินี่เป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาสันสกฤตก็ทฤษฎีคนไทยเราเอามาใช้ทฤษฎีอย่างหนึ่งความหมายอย่างหนึ่งทิฐิมาใช้อีกอย่างหนึ่งทิธิแปลว่าความเห็นความเข้าใจ เป็นลัทธิอะไรไปส่วนทริสตีก็ฟังแล้วไอ้ทริสีนี่ใช้แพร่หลายนะไปแปลาตามภาษาอังกฤษเขาว่า t ทอร r รี่นะทริสีก็เป็นสูตรเป็นหลักสูตรนะเป็นทริสตีเป็นหลักสูต ร, นะ ee, ตรที่จะใช้ในการทำมันก็มีความหมายรวมๆกันอยู่ในทิศฐินั่นแหละนะอันเดียวกันคือความเห็นความเข้าใจในทางไปสู่เป้าหมายนะ มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีผลอย่างไรถ้าใช้อย่างนี้ทำอย่างนี้องค์รวมทฤษฎีอย่างนี้สูตรอย่างนี้ปฏิบัติแล้วจะไปสู่เป้าหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็รวมกันไปหมดนะเรามีความเห็นความรู้มีอุรม์คติมีจุดสุดยอดและมีทางปฏิบัติหรือมีเหตุมีผลเข้าใจเข้าใจเหตุผลตรงกันไปแนวเดียวกันอันนี้เราได้พิสูจน์กันแล้ว คนข้างนอกนี่ยเขาบอกว่าพวกอโศกนี่มันเป็นยังไงมันพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันที่ไหนบางคนพูดเพาะบางคนพูดไม่เพาะนะบางคนพูดจำนวนไม่เด็เขาทาเลยบางคนพูดจำนวนดีดนะีมันไม่เหมือนกันหรอกเขาบอกพูดมันพูดเหมือนกันแต่ลึกๆนั้นก็ความหมายของคำว่าเหมือนกันของเขานะี่คือมันพูดมันไปยังไงยังไงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกอะนะที่บอกว่าอะไร นิพพานังปรามังวทันติพุทธาวทันติแปลว่าพูดในคําพูดนิพพานังปรามังวทันติพุทธาพุทธาแปลว่าผู้รู้ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพูดจะกล่าวว่าท่านจินิพพานังปรามังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายนี่นะท่าผู้รู้เป็นผู้รู้แบบเดียวกันเป็นพุทธะพุทธาอ่าเป็พุทธศาสนิกชน ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีภูมิปัญญาแท้แล้วจะกล่าวจะพูดอะไรมันจะไปหานิพานหมดนิพานังประมังมันจะไปหานิพานนี่ยไปยังไงยังไงจะพูดพูดโลกียะพูดอบายยมุกก็พูดเพื่อให้ไปหานิพานไม่ใช่ไปส่งเสริมให้เป็นอบายยมุกอย่างยิ่งไม่ใช่พูดอบายยมุกก็เพื่อไปหานิพานลดอบายยมุกให้ดับสนิทพูดโลกธรรม ก็ลดโลกกระทำให้ไม่ติดไม่ยึดไปหานิพ v a n พูดโลกกามารมณ์ก็พูดเพื่อให้ไปถึงนิ r พานพูดโลกอัตตาหรือโลกอาตมันก็พูดเพื่อให้เดินทางไปสู่นิ r พานจะพูดเรื่องในในโลกในประดามีของโลกโลกอบายโลกกามโลกกรรมโลกอัตตาหรือโลกอาตมันโลกปรามาตมันไหนๆก็แล้วแต่พูดไปเธอพูดไปพูดมามีแต่จะ ตะล่อมไปหานิพพานโน้มเอ็นเข้าไปสู่จุดนิพพานนี่คือความหมายของประโยคนี้นะนิพพานนังประมังวันติพุท ธ, ธาความหมายอย่างนี้แต่ท่านแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าวผู้รู้อะไ ร, รผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนะว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งฟังแล้วก็อัวตีดินสามครั้งเสร็จแล้วก็เจ็บหัวไม่รู้เรื่อง นึกว่าเคาะหัวแลยจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องอะไรมันยากนะแปลภาษาบาลีเป็นปภาษาไทยคําต่อคําแปลออกมาโดยเรียกว่าแปลดิบๆมันฟังแล้วมันก็ดิบไปตามเรื่องกินไม่ลง <c oughs> นะกินไม่ลงนะมันก็ได้แค่นั้นนะก็เอา้าอราจมาขยายความให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเรามีทิฏฐิสามัญญาตาแล้วผู้รู้ผู้เข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักการเข้าใจ ความต้องการเข้าใจจุดสุดยอดอะไรนี่มันจะตรงกันเราะชาวโศกเรานี้จะพูดก็ดีจะทําก็ดีจะมีอะไรก็ดีแม่แต่ที่สุดมาอย่างเงี้ยแต่งตัวก็เหมือนเหมือนกันทําไมว่ามันแต่งตัวอย่างนี้มันไม่น่าจะไปแต่งก็ชาวโลวกเขาพาเป็นตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปเป็นตามเขาเรามาเป็นอย่างาชาวโสมชาวโศกมันล่างสมองกันหรือไงบังคับหรือเปล่าอะไรอเงี้ยเราไม่ได้บังคับกเรารู้โดยปัญญาปฏิภาณของเราเราก็มาเป็นอย่างนี้ไปจะกินก็กินอย่างเงี้ย มันทำไมว่ามันกินอย่างนี้ย่ะของกินดีๆให้กินมันไม่กินนมันโง่จังเลยนะพวกชาโสมนี่เนาะอะสวยๆงามๆ ม, มีเยอะแยะให้ไม่เอาเคยมีทะเลาะ ก, กันพ่อแม่กับลูกสาวลูกสาวกเ็เริ่มโตเป็นสาวพ่อแม่ก็อยากให้แต่งตัวสวยๆไอ้ลูกสาวดันไม่เอาสวยจะเอาอย่างโศกเป็นที่ทะเลาะ ก, กันน่ พ่อแม่ก็คิดอย่างพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจก็ดึงดันใจลูกแต่งตัวเป็นแบบสวยๆเงินทองมีเขามีก็ซื้อมาให้ไอ้ลูกก็ไม่เอาโกรธกันที่ทะเลาะกันก็มีนี่เคยมีจริงๆเรื่องมีมาแล้วนะก็ค่อยว่ากันไปพูดกันไปบางทีก็อนุโลมปฏิโลมบ้างพ่อแม่ก็เจตนาดีตามภาษาเขานะก็พูดให้เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ยอมๆมั่งซื้อมาให้ก็แต่งสักทีหนึ่งแต่งเข้าห้องน้ําแล้วก็ถอดอะไรเงี้ยพอแล้วอะไรก็พอแลก็ต้องมีวิธี เราต้องเข้าใจอนุโลมปฏิโลมต้องมีวิธีหลบเลี่ยงวิธีที่จะาตามใจเขาบ้างไรเขาได้มัง่งหรือไม่ก็แขกเยอนเดินลงไปหน้าประตูบ้านแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านอะไรเงี้ยก็แขกเขาเห็นบ้างว่าเราได้ใช้เราได้ทําบ้างแต่จริงๆเราก็มีทีท่ามีศิลปะวิทยานะมียุทธศาสตร์ในการที่จะไม่ไม่หักโค้นนะไม่ทําลายน้ําใจกันแต่ก็ไม่ตามใจเท่าไหร่หรอกนะ เราจะปฏิบัติอย่างนี้ยิ่งเราเองเราบรรลุแล้วเราก็ไม่อยากจะไปใส่มันนอกอย่างนั้นอ่ะบางทีใส่แล้วเนียมหรือซ้ําไปนะก็เป็นจริงนะแต่ละเรื่องนะตอนนี้สังคมของเราเนี่ยได้ยอมรับเพิ่มขึ้นมาตามลําดับนะอันนี้เป็นธรรมโอเวรักติธรรมจาริงเรานี่ถูกโค่นถูกจะกําจัดถูกปราบนะ จะโดยใครก็แล้วแต่จะใครเขาจะปราบใครเขาจะโ ค, ค่นก็ช่างเขาเถอะเป็นกลุ่มก็มีส่วนตัวก็มีพยายามที่จะทําแต่เราก็เข้าใจอาตมาเข้าใจโดยเฉพาะอาตมาอาตมาเนี่ยเข้ยายใจเขาว่าเขาเองเขาเข้าใจไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่มันเป็นความไม่รู้ของเขาเท่านั้นเองเป็นอวิชชาของเขาขเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่เขาเอาวิชาขเขาไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ถูกต้องอันนี้เป็นของจริงเป็นของดีเขาไม่รู้ เขารู้ว่าเขาเขาเข้าใจผิดแต่เขาเข้าใจว่าอย่างที่เขารู้น่ะนะถูกอย่างนี้น่ะผิดเขาก็ไม่อยากให้มากล่าวว่าเป็นพุทธด้วยกันเขาก็ไม่อยากจะให้ทําเพราะว่าเขาถือว่าอย่างนี้มันผิดพุทธมันต้องอย่างเขาเขาจริงใจเขาเขาจริงใจอันนี้เราต้องเข้าใจเขาอาตมาเข้าใจอาตมาไม่เคยโกรธพวกติ่ต่อต้านเราหรอกอาตมาไม่เคยโกรธนะแม้จะต่อต้านทั้งๆที่เข้าใจแล้วแต่ต่อต้านด้วยกิเลสต่อต้านด้วยความเอาชนะขาคาร ทำร้ายทำลายมาด้วยซึ่งมันไม่ค่อยถูกมันก็เรื่องของเขามันเป็นบาปเป็นภัยเขาเองอาตมาไม่ได้เป็นบาปด้วยเขาทําก็เรื่องของเขาอาตมาไม่ได้ถือสากรรมใครกรรมมันวิบากรรใครวิบากมันนะเมื่อเข้าใจอยู่แล้วแกล้งทำเรื่ยังดันทุรังทำมันก็เรื่องของเขาบาปของเขาเองแต่คนที่ไม่แกล้งเขาไม่รู้จริงๆมันก็ต้องเห็นใจนะว่าเราทำเนี่ยอาตมาถือว่าธรรมโอเวรกติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม เราได้พิสูจน์มาแล้วจนถึงวันนี้มน่าเราก็พยายามทำไปอ่อนน้อมทำตนไปเขาจะตู่จะจับขึ้นคุกเข้าคุกเข้าตารางอะไรจนทั้งสุดท้ายถึงขั้นดีกาเลยนะสารที่สามสุดยอดเลยเราก็แพ้รวดมองไม่เห็นท่าว่าจะชนะเลยถ้ามีอีก8ดสารก็คงแพ้มัน8สารเนอะแมนี่บุญยังดีนะมีแค่สาสารยังเมื่อยแค่นี้นะถ้า8ดสารแล้วจะพอคูเ อ, อ้ยมันคงจะเมื่อยกว่านี้อีกหน้าดูเลย แล้วเราก็ต้องไปทําแล้วเราก็จะเป็นหลบเลี่ยงทาเป็นประชดประชันอย่างนี้ก็ไม่เราไม่ประชดนะอาไปจะนําสืบจังหวัดโน้นก็ห่อกันไปจะนําสืบจังหวัดนี้ก็ห่อกันไปดีนะไม่ไป น, นำสือบอเมริกาธรรมามาถือว่าบุญอยู่บ้างนําไปสืบที่อเมริกาเพราะอะไรก็ไม่รู้นะเขานําสืบเขาก็ต้องหาเหตุผลของเขาเราก็ต้องไปเป็นจําเลยเรา ต, ตาไปขึ้นศาลที่อเมริกาอ มันคงไปได้ไม่กี่ค น, นเนะเงินทองที่จะจ่ายค่ารถคาร า, ข, า, าของส่วนตัวทั้งนั้นส่วนกลางก็ของส่วนกลางส่วนตัวก็ส่วนตัวแล้วแต่ใครจะไปเราก็ไปกันมาตามเขาจะให้ถอดผ้าถอดเสื้อขออาภาัยเปลี่ยนนะสับผิดไปจะให้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเสื้อก็เย้าก็ยอมนะเปลี่ยนผ้าเป็นผ้าขาวล้วก็ต้องจำเป็นนะจะให้ยังไงยังไงบ้างเราก็ไม่ไปดึงดันอะไรต่อรองบ้างได้ก็เอาต่อรองไม่ได้เราก็ยอมเขา ทำให้ถึงขั้นทําให้ธรรมะเสียมีสิ่งที่จะทําให้ธรรมะเสียอยู่ก็คือให้สึกอันนี้เราไม่ยอมถ้าให้ธรรมะเสีย น, นี่เราไม่ยอมให้จะให้เราสึกบอกว่าคุณทําผิดนะเราก็ยืนยันเราทำมาวินัยมายืนยันพูดเลยจุนจะสึกได้ต้องหนึ่งปาราชิกขณะสังกัดิเศท่านยังสึกกันไม่ได้เลยหรือในหลักเกณฑ์ของวินัยอีกสิอข้อ ถ้ารู้แม่ภายหลังก็ให้ต้องให้ศึกเราก็โคตมาจาับหลักฐานว่าทำมาวินัยยืนยันไปว่าเราไม่ได้อยู่ในสิบอข้อนี้เลยปราชิกก็ไม่ใช่สังกัดทเศษยังไม่มีเลยจะจับเราศึกไม่ได้โดยทำวินัยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทำํำวัดเทวทัตยังไม่จับพระเทวทัตศึกเลยประกาศศีลกรรมก็ประกาศนีกรรมไปกลางๆไม่ใช่ว่าเป็นประกาศนิกรรมไปการทําอธิกรณ ทำ อ, อธิกรณสมตาตาไอตัดสินไม่ใช่ไปตัดสินไม่ได้ผิดมันนาน า, นาสังวาสกั น, นท่านไม่มีสิทธิ์มาอนุวาถาธิกรเราเลยท่านไม่สามารถที่จะมาตัวว่าคุณผิดยังงั้นอย่างนี้เรียกว่าอนุวาถาธิกรเราไม่ได้วิว า, าทิกรกับท่านนะเราได้บอกแต่ธรรมะเราก็บอกว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดทางโน้นจะบอกว่าอนุถูกอนุผิดก็มีสิทธิ์นี่ต่างคนต่างว่า เมื่อ น, นานาสังว่าแล้วเห็นต่างกันเข้าใจต่างกันต่างคนก็ต่างอธิบายพุทธศาสนิกชนทุกคนก็ไปฟังธรรมะทั้งสองด้านเห็นอะไรถูกอะไรดีอะไรเป็นธรรมวาทีก็รับเอาอะไรเป็นอธรรมวาทีอะไรมันไม่ใช่ธรรมะคุณก็ไม่ต้องเอาคุณมีสิทธิ์ไปเลือกเอาพระพุทธเจ้าท่านเองท่านนี่เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมวินยัยของพพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้ว นี่เราบอกว่าเรานานาสัมมาศักดกันนะไม่ฟังละ เ, เมิดมรณาุ瓦ทาธาทิกรเรามาโจด ท, ทวงเราว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้จะขอพิพากษาทําการพิพากษาเราเนี่ยซึ่งท่านอาบัตนะพระพุทธเจ้าตามกฎหมายพระพุทธเจ้าอาบัติก็คือผิดปีนัยตามกฎหมายพระเจ้าท่านผิดกฎหมายท่านผิดท่านอาบัติแม้ทําแล้วตัดสินออกมาก็โมฆะ วินัยแจ้งไม่หมดชัดเจนแต่ท่านก็ทําตามอํานาจบาตรใหญ่อะ่ะนะแล้ววิธีทําก็ทําประหลาดผิดวินัยอีกนะเอาธรรมยุทธกับมหานิกายมารวมกันซึ่งธรรมยุทธกับมหานิกายก็นานาสังวรบางคนบอกว่าเป็นนิกายคนอะนิกายด้วยซ้ำแต่อัตมาเอาแล้อัตมาไม่ไปพูดหรอกนิกายมันบาปอัตมาก็ให้เป็นธรรมยุทธกับมหานิกายเป็นนานาสังวรแล้วมารวมหัวกัน โจดอาตมาทําสังกรกรรมรวมกันตัดสินอาตมาว่าผิดไม่ได้เอาต่างกลุ่มต่างาต่างนานาอยู่กันคนละกลุ่มเป็นานานาสังวาตมาร่วมพิจารณาตัดสินความกันไม่ได้ทําสังกรกรรมรวมกันไม่ได้การตัดสินความนี่ต้อ ง, งเลวกว่าสังกรกรรมรวมกันไม่ไดถ้ถ้าแม้แต่หนึ่งคน เอาส่วนของนานาสวาสหนึ่งคนมาผสมเล็กกว่าพูรณากะหนึ่งคนมาผสมอยู่ในหมู่กลุ่มนี้การกลุ่มพิจารณาความนั้นลู ก, ลกขุนทั้งหลายแหล่มีผู้นานาสมาสไปร่วมอยู่หนึ่งคนก็ถือว่าโมคฆะนี่เอามารวมกันคนละหลายร้อยมหาณิกายก็หลายร้อยธรรมยุทก็หลายร้อยมารวมกันตัดสินความเรานีแล้ว วิธีตัดสินจะแถมไม่สัมมุขาวินัยอีกท่านทําได้นะท่านทําได้ท่านไม่รู้เราทํามาวินัยของพระเจา้าท่านตัดไว้ว่าไงฉันไม่รู้ฉันไม่ฟังเสียงอาตมาดูแล้วทําไมมันถึงเป็นไปได้ถึงป่านนี้ไม่รู้นะผู้รู้เต็มบ้านเต็มเมืองนะเรียนมากันทั้งหน้าเรียนมาก่อนอาตมาแก่กว่าอาตมาก็ต้องเยอะถึงแม่ไม่แก่กว่าอาตมาก็บวชก่อนอาตมาเรียนมาก่อนอาตมาก็ต้องเยอะ รู้ทั้งนั้นอ่ะผิดมันได้อย่างมากอย่างไม่เงี้ยผิดทรมวินัยเป็นมดแต่เราก็ยอมทุกอย่างสมมุขาวินัยหมายความว่าเวลาตัดสินความต้องเอาจำเลยเข้าไปต้องบอกให้จำเลยรู้ตัวแล้วให้จำเลยไปแก้ต่างให้แก่ตัวเองด้วยนี่ไม่เรียกจำเลยเข้าไปเลยตัดสินเองเสร็จมีแต่จโจดกับพยานโจดอย่างเดียวแล้วก็ตัดสินอา้าวมันก็ต้องชนะวันยังข้ามสิ จำเลยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยได้ยังไงในโลกโลกทั้งโลกก็ไม่มีเราตัดสินความไม่ให้จำเลยก็ไปรับรู้ว่าไม่ให้ก็ไปแก้ต่างตัว เ, เองได้เลยเนี่ยไม่มีนี่ไม่ฮะ ไ, ไ, ไ, ไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องหรอกรู้หมดแล้วเขาบ่างั้นทุกอย่างชัดเจนเขาบอกงั้นตัดสินเลยเออมีด้วยเนาะเขาทําได้สารพัดนี่ก็พูดใด้ฟังพอพูดแล้วอย่าขึ้นล่ะต้องปลามันไว้ นี่พูดในฟังเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปขึ้นก็แล้วไปแล้วก็เถอะสิ่งที่มันเป็นไปก็เป็นไปอัตมาว่าการเกิดคดีนี้การเกิดเรื่องราวนี้เป็นผลดีแก่อโศกมากเพราะมันทําให้เขาเองเขาขายขี้หน้าตัวเองสแสดงสิ่งที่ไม่ดีออกมาต่อสังคมผู้รู้ท่านรู้เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็เพราะเขาสแสดงสิ่งผิดออกมาเนี่ยเขาถึงปากบาออก ภาษาอีสานเขาจึงพูดอะไรไม่ได้มันก็เลยขาคอเพราะเขาได้ทำผิดพลาดมาถ้าคืนไปแย่งอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวลูกสอนย้อนปักเดี๋ยวเราย้อนเอาให้ย้อนเดี๋ยวมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเขาไม่กล้าพูดมากตอแยมากไม่ได้คืนสาวออกมาไปเดี๋ยวใส่ทะลุสาวออกมาไปเดี๋ยวโดนสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีคนรู้ แต่เพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ก็เกิดอย่างผิดพลาดผิดพลาดมันก็เลยเห็นได้ว่าอะไรกันแน่ผิดกลุ่มใหญ่ผิดหรือกลุ่มเล็กผิดมันก็เลยยืนยันชัดเจนว่าโอ้โหกลุ่มใหญ่แท้ๆผิดได้ยังไงทำไมปล่อยให้กลุ่มเล็กเป็นธรรมวาทีให้กลุ่มใหญ่เป็นอธรรมวาทีได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ จริงๆมันจะไม่เกิดมันไม่ควรเกิดแต่มันเกิดเพราะมันต้องเกิดมีหลายคนในพวกเรายังมองอาตมาว่าอาตมาผิดพลาด ท, ทำให้เขาจับอาตมาว่าอไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรอาตมาพาท ร, ร ม, มานั่นสวยงามแล้วมันก็ได้ผลมาสวยงามแลยโอ้โหยังเป็นประบัติศาสตร์เนี่ย วิดีโอถ่ายเอาไว้ต่างๆนานาไปขึ้นสารนั้นสารนี้ของเรา ต, ต่างๆสวยดีเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยเป็นประวัติาศาสตร์ที่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องเราจะทําเองได้คนเดียว <S <S เอาเงินมาจ้างหมื่นแสนล้านล้านจ้างไม่ขึ้นจ้างไม่ได้นะเรื่องนี้เอาลงทุนสร้างให้มันจริงไนะเอากี่แสนล้านมาสร้างเอากี่ล้านล้านมาสร้างก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะ เกิดแล้วทุกวันนี้เราก็ได้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบของธรรมจึงเรียกว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงอาตมาพยาอธิบายความเข้าใจธรมโมหเวรคติธรรมจาริงไหมเนี่ยธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมด้วยเหตุปัจจัยพวกนี้แหละทําให้เรารอดตัวอยู่เพราะเขาทําผิดทำผิดทำผิดทำผิดเราก็เลยต้องรอดตัวนะถ้าอาตมาทำผิดทำผิดทผิดอาตมาก็ไม่ใช่รอดตัวหรอกถึงตาย อาตมาทำผิดแต่ที่นี้มันไม่ใช่ผิดมันถูกนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แกล้งทำไม่ได้หรอกแกล้งทาไม่ได้ต้องมีสัสดส่วนและอาตมาก็ไม่เจตนาด้วยบอกตรงๆมันเกิดเพราะมันจะต้องเกิดมันเป็นเพราะมันจะต้องเป็นอาตมาไม่ได้เจตนาว่าเออเราจะทำอย่างงี้นะทำอย่างนี้เป็นอย่างงี้เสร็จแล้วเขาก็เลยมาฟ้องร้องเราแล้วก็มาเอาโทษเรามาอธิกรณนะ์เรามาพิพากษาเรา เพื่อให้เข้ามาพิพากษาเราอาตมาไมมอาตมาไม่เจตนาไม่เจตนาอาตมาเคยพูดตั้งแต่บวชใหม่ๆไปเทศอยู่ที่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุาานะ่ะแดนตักศิลานะาศาสนาพุทธนะ่ะอาตมาเทศเราอาตมานี่จะเทศความจริงนะเทศสัจธรรมด้วยให้ตัวเองตายภายในหวัน ตายไม่ใช่เพราะอะไรเพราะไปเทศนี่แหละเพราะคาเทศของอาตมานี่แหละอาตมาจะเทศพูดความจริงเลยแล้วอาตมาโดนบอ๊อบตายภายในหวันอาตมาทำได้แต่อาตมาไม่ง่ทำอาตมาจึงไม่ทำแต่อาตมาบอกประกาศตั้งแต่นน่นอาตมาพูดได้ทำได้ทำให้ตัวเองต้องได้รับผลสะท้อนเข้ามาฆ่าเราเลยเนี่ยตายอาตมาทำได้พูดได้ประมาณให้มันแรงแรงหรให้มันแรงหรืให้มัน เขาเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนั้นนะแต่เขาก็จริงใจเขาทำร้ายเราได้เลยให้ตายหรือให้ดับไปเลยไม่เกิดอโศกไม่เกิดเลยทําได้แต่อัตมาจะไม่โง่ทำทำไมจ๊ะมาอัตมาประกาศบอกให้รู้เท่านั้นแล้วอัตมาก็ทำมาทำมาทำมาทุกวันนี้ก็เกิดมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็โต ว, วันโตคืนมาเรื่อยนะหน้าของขึ้นมาจริงๆนะอัตมาว่าดูหน้าตาพวกเรานี่มันดู ผ่องแผ่วดูจริงๆนะคนอื่นเขาก็ว่าคนอื่นเขาก็ว่าว่าเออหน้าพวกเรานี่ดูสดใสผ่องแผ่วดีอ่ามันมันมันไม่รู้นะโลกียะนี่ยมันรังสีโลกียะนี่มันรังสีอย่างหนึ่งรังสีของโลกุตระนี่มันรังสีอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องเอาไปแป้งไปผัดเอาน้มันมาทาเอาสีมาป้ายให้มันดูแสงแม้ดีไม่ดีติดกากเพชรเดี๋ยวนี้แต่งหน้าไปติดกากเพชร โอ้เจ้าปักขุณเลยมันจริงๆมันแต่งหน้าติดกากเพชรอย่างเงี้ยโ อ, โ อ, โอ้เลือ ก, กําลังเราไม่ต้องไปใส่หรอกเราไม่ต้องไปเอาอะไรมาทาอะไรมันจะมีรังสีของมันจริ ง, รงๆรังสีโลกุตระนะเราทํามาได้ถึงขั้นนี้แล้ววันนี้ถึงวันนี้มันก็เห็นรูปเห็นร่างยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกยังไม่ดีเท่าไหร่เชื่อไหม แต่มีดีแน่นอนพวกเรามั่นใจในสิ่งที่มันได้มาแล้วพอสมควรมันดีจริงๆแม้เท่านี้เรายังเห็นว่าดีเท่านี้เลยแล้วเราเข้าใจเข้าใจว่าดีกว่านี้มันดีกว่านี้คืออะไรใช่ไหมดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้คืออะไระเราเข้าใจแล้วทฤษฎีอะไรต่างๆนานาเราเรียนมาตัวอย่างมาแลมันมีองค์ประกอบเราเรียนรู้มาเยอะแยะมันมีทั้งปงสวดานมีทั้งประวัติตำนานที่เราจะสืบทอดรู้ด้วยภาษาก่อนหรือแม้แต่ปฏิพานของเรานี่ก็สามารถอย่างรู้ไปใน สิ่งที่มันบอกเอาไว้ไว่าอย่างนี้มันดีอย่างนี้เนี่ยเราก็พอประมาณได้พอประเมินประมาณได้มันดีกว่านี้มีแน่นอนดีกว่านี้อีกํำเยยบยมยอดกว่านี้เราเีดีมันแค่นี้เองนะเสื้ออาตมาเคยบอกในเรื่องของโล ก, กุตระกับเรื่องของโลคิยะเนี่ยแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่าคนเข้ามาตู่เราว่าสุดโตงสุดตงเนี่ยอาตมาก็ มีวิธีอธิบายอยู่อย่างเนี้ยวันนี้ก็ขอบอกไว้เรามารวมกันก็บอกคนที่ไหนเคยได้ฟังแล้วก็จําได้ก็จําไปแต่ใครจําไม่ได้ก็ฟังดูนะวิธีอธิบายเขาว่าเราสุดตรงเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้สุดตรงไม่สุดตรงคืออะไรคือเราเองเราเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราเรียนรู้ว่าโลกุตระนั่นมันเป็นอย่างไรโลกียะนั้นแปลวอย่างไรโลกียะนี่มันเริ่มต้นไปทิศทางนี้ลงไปหาความทุกข์ ลงไปหาความยุ่งยากมากมายของโลกโลกีทุกวันนี้มันลงไปหนักแล้วมันปรุงแต่งเป็นโลกียาบานปลายลงนรกไปไม่รู้กี่ชั้นกี่ชั้นจนไม่มีชั้นจะลงมันก็ยังดันลงไปได้ฟังนะมันไปไกลสุดกูเลยนรกชั้นไหนชั้นไหนมันก็ลุยไปจนกระทั่งมันไม่มีที่ไปแล้วนะมันก็ต่ อ, มอไม่หยุดไม่หยุดข้าจะไปต่อแล้วมันก็ปรุงต่อนรกต่อไปอ อติวินิบาตเนี่ยมันแปลว่าตกนรกไปจนถึงที่ที่ไม่มีที่จะตกคาว่าอติวินิบาตเนี่ยมันแปลว่าตกนรกจนกระทั่งมันไม่มีที่จะตกแล้วมันไกลสุดกูแล้วมันไม่มีที่จะตกต่อไปอีกแล้วคาว่าอติวินิบาตอัอับอับอติวินิปาตะเนี่ยมันไปถึงน่นแต่มันต่อได้แฮมันขุดนรกต่อไปอีกค่ะพวกชาวโลกียานี่มนไปอย่างงี้ปบานทะโกโถเป็นปากกลวย หนักหนาสาหัสขึ้นไปอย่างเพราะฉะนั้นขีดกลางระหว่างโลกียะกับโลกุตระมาอยู่ตรงนี้พอเรามาเกิดสมาธิิเราก็รู้อ้อโลกุตระมันไปนี่โลกียะมันไปนี่เราก็เดินทางโลกียะโอ้ยขออภยัยเดินทางโลกุตระโดยลดโลกียะไม่ไปแล้วคุณไปใครจะไปก็ไปเราลดลงลดลงอยู่น่นแล้วก็ขยบขึ้นมาขยบขึ้นมาที่จริงก็คือโลกียะต้องใครเกิดตรงเนี้ยเกิดไปเราก็ได้โลกียะ เข้ากระแสได้นิดๆใ น, นหน่อยก้าวขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ท่านบอกว่าสูงนี่แค่นี้อรหันนะเราก็ได้โซดาสกิทาอนาคาอรหันมากพวกเรานี่แค่โซดาโซดาเต็มเต็มั่งโซดาเติ ม, มโซดา ม, มั่งยเนี่ยมันยังไม่ขึ้นถึงขั้นเต็มที่โซดาโซดาอยู่เนี่ยส่วนสกิทานี่ก็น้อยอนาคาก็มีละอองไปอรหันเนี่ยก็มีเป็นบางส่วนอรหรนอรันเนี่ยอบายามุก อรหันในการมา flying, รมณการมาคุณบางอย่างรูปบางอย่างรสบางอย่างกิ่นบางอย่างนะอรหันในเรื่องบางอย่างลาบก็ตามยศก็ตามก็ยังไม่อรหัน์ทีเดียวมันยังติดลาบนิดนิดหน่อยฮะไม่กินลาบช้างแล้วก็มากินลาบมัวอ่ารสจากลาบมัวไม่กินมากินลาบหมูหมูไม่ก really. ินมากินลาบไก่อยู่เนี่ยระวังต mm ิดเชื้อไข้หวัดนกนะอ่าบางคนก็ลสจากแล้วไม่กินลาบไม่เอาลาบแล้วลาบแค่ไก่ก็ไม่เอาไปเอาลาบแค่กุ้งอะไรเงี้ย โอ้โอโกุ้งตัวหนึ่งต้องเป็นพันๆนี่อาตมาฟังแล้วตกใจมันกินขึ้นไปยังไงนะเสร็จแล้วเราก็เลิกลาบเราก็ไม่ติดมายึดเท่าไหร่ลงมาเรื่อยๆตามลำดับยศก็ตามสันเสริญก็ตามอันนี้เป็นต้นแล้วก็มีมีอรหั ต, ตผลเป็นตัวอย่างเป็นขั้นๆตอนๆมาก็เรียนรู้ไปจะเอาอารหันต์เต็มเลยเป็นอรหันต์บริบูรณ์ก็ยังไม่มีใครกล้ากล่าวได้ สรุปแล้วว่าคือเขตโล่งกุตระเราไปเนียังไปแค่นี้แต่ส่วนคุณที่อยู่โน่นเนี่ยไม่รู้วนรกเขาคุณก็ขุดต่อไปถึงโน่นคุณยูนอยู่โน่นเลยยื น, นยอยู่ในคุณนรกนรกที่มันเลยอติวินิบาตไปอีกเลยและคุณก็มองมาหาเราคุณก็บอกว่ามันทําไมไปทางโน้นทำไมมันสุดตรงไกลสุดโตง่งงั้นไม่เอาหรอกเขาว่าเราสุดตรงด้วยอย่างนี้แหละเนี่ยเขาว่าเราสุดตรงเถอะเราอยู่อยู่แค่นี้เราไปได้แค่นี้ หาว่าเราสุดตง่งเรายังไปได้อีกต่างหลายตง่งยังไม่ทันเสกิธานะคะาคาอรหันต์จากอารหันต์แล้วไปหาอารหันต์ตัมสมาสมพุตรเจ้ายังมีอีกเป็นโพธิสัตมหาโพมหาสัตว์ไปอีกมีอีกยังไม่ได้ไปอะไรเท่าไหร่เลยแต่คุณที่ขุดแม่บุกลุยตรุยนรกต่อไปอีกตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วคุณก็ไปยืนอยู่ตรงนน้นแล้วมาบน่นบอกว่า มันไกลยังไม่งูดแมวแล้มันไปไม่ไหวแล้วเรื่องอะไรไปทําอะไรกันไม่มัชชิมา อ, อสุดตรงอาตมาว่าเออคุณก็พูดของคุณตามภาษาคุณเข้าใจนะแต่แท้จริงคุณพูดผิดเรายังไม่ได้ตรงได้แต่งอะไรเลยใช่ไหมฟังเข้าใจไหมเพราะงั้นอธิบายเขาให้เป็นนะอาตมาพยายามหาวิธีบอกต้องมีมือไม้ ม, ม, ม, มีมือมีอะไรขีดให้รู้เนี่ยคนมันไม่งั้นเข้าใจยาก ถ้ามีเครื่องมือที่อธิบายง่ายเว่านี้ได้ใครใช้คิดได้ก็เชิญคิดมาให้อัตมาบางจะได้อธิบายเขาฟังบางให้ได้รู้นะมันเราเองเราได้ดีขึ้นมาเท่านี้เนี่ยยังไม่มากแต่มันก็ดีขึ้นมาพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าเป็นโล ก, กุตระนะเป็นธรรมะที่ละลกิเลสได้แล้วก็พวกเราก็มีชีวิตอยู่อย่างเพราะเราลดละกิเลสลงไปได้จริงอัตมาถึงเห็นความจริงว่าเออเป็นสังคมพุทธบริษัทเป็นสังคมที่ มีพุทธบริษัท4ี่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกามีท่า น, นักบทหญิงนักบทชายแม้เราจะไม่มีภิกษุณีเราก็ให้ปฏิบัติทำอันสมควรแก่ธรรมก็บรรลุมรักผลไปตามธรรมเป็นนักบวชซึ่งเราเข้าใจอยู่ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยของนักบวชแม้เท่านี้เถอะมันก็เห็นแล้วว่ามันมีคุณค่ามีมรรคมีผลที่แท้จริง มันพุทธบริษัทสที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มชุมชนสังคมมันเป็นอย่างไรอ่ะโอ้โหพูดแล้วอาตมามันชื้นใจเอต้องทางนี้สิเนาะใจมันอยู่ข้างซ้ายอาตมาไม่ได้หัวใจอยู่ข้างขวามันชื่นใจชื่นจริงจริงอ่ามันเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อ ลูกทำมาได้แค่นี้ก็ได้อย่างถูกต้องแล้วทาให้สังคมไม่มีอบายยมุกเพราะมันเป็นเรื่องทุกข์เรื่องร้อนใหญ่เป็นสังคมกลุ่มที่ไม่มีอบายยมุกไม่มีอาชญากรรมบนอย่างกันข้างนอกเขาไม่มีความจัดจ้านแย่างลาบอย่างยศอย่างสัเสริญอย่างเงินแย่งทองอย่างเพชรอย่งพลอยอย่งอะไรกันตีกันฆ่ากัน มีเชิงกนเชิงชั้นอย่างุวนอย่างนี้กันไม่สิน้นไม่สุดมันไม่ใช่สังคมเราไม่ใช่แม้จะมีบ้างก็มันก็ตามกิเลส ข, ของคนบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ดูก็ขัดกลาวต่อกันไปสำหรับคนยังมีอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วในระดับแล้วเนี่ยมันเป็นสังคมพุทธเป็นสังคมพุทธบริษัทมีศีลมีธรรมมีศีลมีอธิจิตมีสมาธิมีอธิจิต มีปัญญาซึ่งเป็นอธิปัญญาหรือเป็นวิชาเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือปันญาณทัศนะของพระพุทธเจ้ามันมีจริงๆความรู้ที่รู้ว่าโลกุตระคืออะไรโลกิยะคืออะไรแล้วเราก็มาทําตนให้หลุดพ้นจากโลกิยะเหนือโลกิยะมาตามลําดับตามลําดับเรื่อยๆแล้วแต่บุคคลแต่และบุคคลตามฐานานุฐานะก็ได้มาแล้วก็มารวมกันอยู่มีชีวิตรวมกันจนกลายเป็นสัมมาอาชีพ สัมมากัมมันตะเนี่ยมาทำงานร่วมกันมามีชีวิตร่วมกันมาช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างเงี้ยมารวมประชุมกันแล้วก็โอ้มีเรื่องจะปรึกษาหารือกันคุยกันจะทำยังไงกันดีร่วมมืออะไรกันดีอะไรดีไม่ไม่ดีไม่ต่างคนต่างช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่เสียค่าจ้างเสียค่าประชุมเสียค่าสัมมนาเสียค่าปาตกถานี่แพงนะข้างนอกเขานี่ ตัวเก่งๆนี่เชิญมาทีหนึ่งเป็นทีละหลายสิล้านนี่เชิญนักเศรษฐศาสตร์เอกของโลกมาสปีด ท, ทีนึงเท่านี้ชั่วโมงเล่นสิกว่าล้านสี่สิบล้านยังมีเลยค่าตัวมาพูดโอ้โห โ, ห โ, หโล่แปงแต่ของเราฟรีจะสปีดก็สปีดไปจะพูดให้ฟังคนนี้เราเรายอมรับดีคนนี้พูดได้ฟังแล้วฟังกันฟรีอยากฟังต่อจนกระทั่งผู้พูดเมื่อยแล้ว เราต้องพักเราก็เป็นสังคมอย่างเนี้ยอัตามาพูดให้ฟังในคุณติดตามฟังตามดีๆว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นสังคมเกิดสังคมสังคมเกิดพฤติกรรมมนุษย์สังคมเกิดวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์มันมีวิธีการดำเนินชีวิตของมันแล้วมันก็มีจิตวิญ ญ, ญาณ ร, ร่วมอยู่ในนั้นทั้งสิ้น จิตปิญญาณอย่างชาวโลกีเขาก็ร่วมอย่างชาวโลกีเขาก็พอใจดีใจขเขา่ําเขารวยเขาได้เปรียบเขาได้ยศได้ชั้นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่แก่แค้มันสมใจก็สะใจอร่อยอสุขเพราะว่าแก่แค้มันสมใจแก่แค่นึนกขนาแก่แคนกันฆ่าเขาตายเลยขเข า, า ย, เยังแก่แคนกันจะสมใจแล้วก็เป็นสุขอะไรทั้งที่มันทุกข์มันบาปแท้ๆเขาก็หลงกันอยู่งั้นได้แต่ของเราก็ไม่ของเราก็ได้ดียินดีในสิ่งที่มันดี อะไรที่เป็นกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องเราก็ยินดีกันไปอะไรไม่เป็นอกุศลเราก็เห็นว่าวันนี้เรายังไม่ไหวผิด พ, พลาดนี่ก็แก้ไขกันไปมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนของต น, นพัฒนาตนไปจริงๆทุกวันนี้มันเป็นรูปธรรมเป็นชุมชนหมู่กลุ่มสังคมจนกระทั่งข้างนอกเขาเขายอมจนอนํานวนและเขาถามว่าอาโศกนี่มันมีเท่าไหร่อัตมาก็ตอบไม่ได้สักทีแล้วก็เนียมเหนียม พอเราถ้าจะบอกไปแล้วมันก็เราก็เคยบอกเ้าเราไม่มากเท่าไรหรอกแต่เขาไม่เคยเชื่อเขาไม่เคยเชื่อยังไม่มากเท่าไรเพราะเขาประเมินตามโลกริดแรงของโลกเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงกันใช่ไหมมันจะต้องทวงดุลกันเขาจะช่างโฟมเขก็ต้องเอาโฟมเขาจะมีอะไรที่มันมาแข่งกันเขาเลต้องมีปริมาณปริมา ณ, รร ม, าณมันต้องมากพอๆกั น, นองเขาไม่รู้ว่าที่จริงของเราเนี่ยมันน้อยมันเหมือนกับปรลอดนะัก ของเขามันเป็นโฟมเพราะงั้นเขาเองก็เข้าใจเหมือนโฟมอ่ะเขาบอกมันต้องมากสิมันมีริดในสังคมมันมีน้ำหนักขนาดนี้เชียวเขารู้สึกอโศกนี่มันมีน้ำหนักมันแน่นมันหนักมันน่ากลัวมันอะไรหลายๆอย่างอาตมาพูดภาษาไม่ค่อยครบมันฟังๆดูอ่ะอันเดอร์สตูดวัฒนธรรมที่เข้าใจคุณเข้าใจเอาเองก็แล้วกันอาตมาพูดไม่ถึงอาตมาขยายไม่ครบอ่ะคุณก็ ขอให้เขาเจ้าเองก็แล้วกันทำความเขาเจ้าเองมันมันหนักหน่อยเขาก็เลยนึกว่าเรามากๆเพราะเราทวงสังคมอยู่ได้เราต้านกับสังคมอยู่ได้เราไม่ได้ไปต้านก็าหรอกแต่เราอยู่ของเราได้โดยที่เขากลืนเราไม่ได้ถ้าน้ําใสหนึ่งเม็ดเล็กๆเนี่ยกับขี้โคลนเท่านี้เนี่ยปลืด้ดข้นมาเนี่ยน้ำน้ ำ, น, ำน้ำใสเม็ดนั้นจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมไม่ได้แต่น้ําเม็ดกระโสุนเลยมันอยู่ได้แฮ เขาก็เลยบอกเฮ้ยอันนี้มันต้องแข็งนะมันาเม็ดนี่นะมันต้องแข็งหรือมันต้องมากนะมันต้องแข็งนะหรือมันต้องมากนะมันถึงอยู่ได้มันจะทั้งนั้นมันจะอยู่ได้งไงเนี่ยเขาเห็นกี่โครนทั้งมเหาทั้งมากทั้งไม้เขาเห็นอยู่รู้อยู่มันเยอะมันแยะเพราะฉนนั้อโศกมันจะอยู่รอดของมันอย่างสบายสง่านอกจากสบายแล้วยังสง่าอีกตัางหากมันจะอยู่ด้าสง่าได้ยังไงถ้ามันไม่แข็งถ้ามันไม่มากเขาก็เลยคิดว่าอโศกนี่มันมีมากความจริงไม่ใช่ แต่ความจริงเป็นความจริงคือแม่น้อยก็เหมือนท่านพุทธทาสตรัสพุทธทาสพูดไม่ใช่ตรัด น, นะว่าเหมือนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กคนมองเหมือนน้ำแข็งนี่อยู่กลางเตาหลอมเหล็กละลายแน่แต่นี่เป็นก้อนน้ำแข็งพิเศษเหมือนที่อาตมายกตัวอย่างหยดน้ากลางกิคโครนนั่นแหละนี่เป็นก้อนน้ำแข็งพิเศษกลางเตาหลอมเหล็กของโลกีแท้ๆก้อนน้าแข็งนี่ก็ยังอยู่ได้ว โอ้เงึเงดพ่อหัวแตกมหัศจรรท์นี่เป็นเรื่องจริงนะพูดแล้วก็อย่าเหลืองนะต้องตอบหลังไว้อีกทีหนึ่งไม่งั้นระเหลืองหลงตัวเองอทุกวันนี้กระแสะข้างนอกเขาออกมาอย่างนั้นจริงๆก็ขอมีอันนี้อาตมาเริ่มพูดมาหลายทีแล้วในมู ที่ประชุมก็พวกเราเตอานี้ก็มาประชุมกันมากก็ขอเพิ่มเพื่อให้พวกเราเข้าใจจะได้ไม่เป็นหลงในสิ่งนอกมากเกินไปขณะนี้นี่กระแสสังคมเขานี่มีอัตราการก้าวหน้านะเรียกว่าโป o เ e c t i o n ratio ของมันเนี่ยอัตราการก้าวหน้ามันมากความยอมรับของสังคมข้างนอกเขานี่มากมากมากมา ก, มากพอจนเห็นได้ น่ะมันมากจริงกระแสถนนตอบรับกันโอ้โหดีอโศกดีมากทีนี้มามองตูวพวกเราเนี่ยการเจริญของพวกเราคุณภาพของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางธรรมหรือทางโลกก็ตามสมรรถนะก็ตามความสามารถหรือคุณธรรมของเราก็ตามอัตราการก้าวหน้าของคุณธรรมของส่วนตัวแต่ละคนพวกเราเนี่ยในตัวเรามันก้าวหน้า อัตราการก้าวหน้ามันน้อยกว่าอัตร า, ารความยอมรับของสังคมข้างนอกว่าไหมใช่ไหมตอนนี้มาถึงวันนี้อัตราการรับยอมรับหรือาการเข้าใจนิยมชมชื่ น, ช, นชาวสซเราข้างนอกเนี่ยอัตราการก้าวหน้านี่สูงสมมติว่าร้อยเนี่ยอัตราการก้าวหน้าข้างนอก ม, ม, มันสุ่มวรดร้อยอัตราการก้าวหน้าของ แต่ละคนคุณธรรมความสามารถคุณภาพของแต่ละบุคคลของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมมันไม่เท่าอัตราการก้าวหน้าของข้างนอกที่ยอมรับพวกเราทัวนี้ถ้าอันนนร้อยอันนี้จะถึง50าสิบไมการก้าวหน้าของแต่ละคนสมมติว่าถึง50าสิบอ่ะได้แค่แค่นี้ยังไรย่างไ ร, งไรมันก็อัตราการก้าวหน้ามันไม่เท่าเทียมมันไม่สมดุล ก, กันกับข้างนอกรขา ยิ่งอัตราการก้าวหน้าของปริมาณมวลปริมาณของมวลปริมาณของบุคคลเป็นมวลที่จะเพิ่มเข้ามาที่จะเข้ามารวมกันเข้ามาเป็นอย่างนี้มีมวลออกจากทางโลกคนโล ก, กีคนข้างนอกเข้ามาเป็นมวลของเรานี่นะมีบ้างเหมือนกันยิ่งต่ำกว่าคุณภาพของแต่และบุคคลเราอกอกเพราะเรานี่ก็เก่งขึ้นมาเหมือนกันทงคุณธรรมก็ต้องทนได้หรือว่าบางได้ แข็งแรงสู้กับโลกีได้เพิ่มขึ้นคือพัฒนาทางอารยธรรมก็พัฒนาพัฒนาทางโ ล, โลกียธรรมเราก็พัฒนาอยู่บ้างเหมือนกันกิจการฝีมือสมรรถนะความรู้ความสามารถในการจะสร้างสรรในการจะทำประโยชน์ในทางจะประกอบการอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นก็ทำได้ดีขึ้นการงานศีลธรรมส่วนด้านธรรมะศีลธรร ม, รมก็ดีขึ้นด้วยบางแต่มันก็ต่ำกว่าความยอมรับของข้างนอกเขาแล้ว ส่วนยิ่งคนเข้ามาเพิ่มปริมาณคนที่เข้ามาเพิ่มยิ่งอัตราต่ำมากเลยอาตมาเห็นแล้วโอ้มันรู้สึกกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวว่ามันจะไหวไหมเนี่ยบันรารเนี่ยประชุมกันมาก่อนจะมานี่ไม่กี่วันประชากรบันรารทั้งหมด263คน อาจจมาจำตัวเลขผิดถูกไม่รู้นะแต่ประมาณนี้แหละผิดมั่งก็รับรองสอบได้ไม่ถึงตกแน่นอนนับทั้งเด็กด้วยนะอย่านึกกับผู้ใหญ่ทั้งหมดนะ260กว่าเนี่ยนับทั้งเด็กด้วยแต่งานเจ้าบกคุณเอ้ยกระแสข้างนอกเจ้าบกคุณเอ้ย บ้นานนาเดียร์กังอะไรเนี่ตอนนี้แม่ตรงนั้นก็มุ่งเข้ามาขนาดรองที่บันดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องลงผ ว, วงผู้ ว, ว่าผู้นักการไม่กี่วันเนี่ยทางด้านการศึกษาไปดูงานที่ดูโรงเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกงานโรงเรียนสมาสิกขาเป็น ง, งานเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเขาก็แจ้งความจํานงมาขอมาดูงานร้อห้าโรงเรียน มาโรงเรียนละสองคนพร้อมกับทั้งท่านผู้อำนวยการทั้งประธานอะไรของเขานะมามาสี่แปดขึ้นไปมากันรวมแล้วสามร้อยกว่าคนมากันมาโรงเรียนละสองคนกับท่านหัวหน้าส่วนทั้งหลายแหล่มีมากันหัวหน้าศึกษานิเทศผู้อำนวยการกองนั้นกองนี่อะไรต่างๆ น, น, น, น, นานานีมากัน ส0 0รอกว่าคนมาดูโรงเรียน ส, สัมมาสิกขาราชธานีอโศกซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตตั้งยังไม่ถึงปีโอ้โหดูกระแสมันนะมาดูแล้วก็ชื่นชมด้วยไม่ใช่มาดูแล้วว่ายี่แม่จะรู้ว่านี่เพิ่งตั้งนี่เพิ่งได้รับใบอนุญาตไม่ถึงปีจะถึงปีเดือนพฤษภาคมนี้ จะครบปีหนึ่งป็นพฤษภานอกนั้นก็ทำมาก่อนปีสองปีสามปีทำมาก่อนยังไม่ได้ขออนุญาตเ ป, เ, ปเป็นสาขาของศรีรษะโสกนี่มาหลายปีจงกระทางมาขออนุญาตเองเป็นโรงเรียนเองเพิ่งเด็กยังไม่ครบปีเขามาเห็นเขาก็สัมผัสคนพวกนี้ปัญญาชนเขาสัมผัสเขารู้เป็นหลอกเขาไม่ได้หรอกแล้วเราก็เป็นจริงไม่ใช่เป็นผักชีโรยหน้า เพราะคุณทําปักชีโรยหน้าเท่าไใดก็ Hence, <S <S <s <s สู้เขาไม่ได네้เขาทามาก่อนเพราคุณเยอะเชื่อไหมโอ้เพราะเขาทำมาก่อนเพราคุณเยอะเรื่องปัก c h โรยหน้าเขารู้ดีมันควรจะทําปักชีโรยหน้ายังไงมาสู้เขาสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องไม่แข่งสิ่งที่เราไม่เก่งเพราะเราจะไปทำปัก c h โรยหน้าแข่งเขาแพ้เพราะจะไปแค่จะไปแข่งเลยแข่งแพ้แต่ในมูอเราไม่ทําเราของจริงเขาก็มาสัมผัสของจริงสัมผัส ถึงแม้ว่าเราจะมีผักชีเล็กๆน้อยๆมันก็มีนิดหน่อยเขาก็รู้ว่าเราเองก็มีอะไรบ้างแต่มันไม่ใช่หรอกเข้ามาเขาก็เห็นของจริงเนื้อแท้เขามีปฏิพานคนพวกนี้เขามีปัญญาปัญญาชนก็รู้สรุปแล้วเขาก็ศรัทธาเข้าใจเรื่อมใสอยู่แต่มากน้อยเขาไะไรไม่รู้นะแต่ก็เพิ่มละเพิ่มความเข้าใจเพิ่มความประกาศความจริงเพิ่มสิ่งที่เป็นความจริงประกาศให้เขารู้เพิ่มขึ้นไปเขาก็เห็นขึ้นอะไรขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มงานของเราเพิ่มงานของเรานี่คือกระแสข้างนอกกับตั ว, วพวกเรามันจะเพิ่มงานของเรางานด้านอื่นก็เหมือนกันงานด้านทางมหาไทยนี่เปนดังด้านกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษาด้านมหาไทยอีกหน่อยทางเศรษฐศาสตร์ทางสังค ม, มศาสตร์ทางกเกษตรหรือกศิกรรมเ้าก็ไปของเราพอสมควรยังอะไรอื่นๆ อ, อีกเราก็ ไปเรื่อยๆนะทำนั้นทมนี้อะไรก็อะไรได้ยางาบางอย่างอาตมานึกไม่ออกตอนนี้ก็ผ่านไปนะมันมีอะไรที่เราทำกันอยู่หลายอย่างหลายอันแม่แต่ที่สุดการเมืองเราก็ทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตามแกนแกนสิ่งที่พาเป็นพาได้ก็คือแกนของธรรมะพระพุทธเจา้าเป็นเนื้อแท้เนื้อหลักเป็นยอดยายอดหัวยาใหญ่คือ ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นยอดหัยยาใหญ่แล้วก็ขยายผลออกไปสู่ขแขนงนั้นขแขนงนี้ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้หรือว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรอยู่ตอนตอนนี้นีน่เป็นเรื่องที่เราทำเพราะงั้นอาตมา ก, ก็ขอบปรามพวกเราว่าขณะนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะปรับตัวเองเพื่อที่จะให้รับความจริงที่เกิดว่าหนึ่งกระแสะความยอมรับเราสูงสองคุณภาพของเราเนี่ย ยังไม่สมดุลสู้เขาไม่ได้รับมือไม่ได้สามปริมาณของคนที่จะมาผนึกกันมาเป็นมวลปริมาณแล้วเพิ่มมวลที่จะสร้างพลังงานรับกับกระแสตอบรับนี่ได้เราจะไปห้ามกระแสตอบรับเขาเนี่ยบอกว่าอย่ามาเอาเลยอย่ามาเอาเลยมันไม่ดีหรอกได้เงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือควรทำไหมไม่ควรแล้วไม่ควรทำมันห้ามยากด้วยห้ามก็ไม่เข้าท่า มันจะไปทำยังไงเพราะเราห้ามติดตัวนี้ไม่อยู่แน่อัตมาว่ามันจะมีอัตราการข้าวน้าไปตามเวลาตามกาลเรื่อยๆเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะแต่สัจธรรมหรือธรรมชาติของมันเกิดใช่ไหมมันไปมันจะก้าวไปอีกถ้าเราไม่รับมือให้ดีคือคุณภาพของคนกับปริมาณของคนที่ชาวโศกต้องเพิ่ม เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเส็จแล้วมันจำนวนเลยเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศณนะที่นี้ว่าใครใดที่ยังไม่มาละลาละลังอยู่อย่าช้านะใครชาจุดจุดอาตมาไม่เคยเร่งอะไรมากมายถึงปานชนี้แต่ก่อนยิ่งอาตมาไม่งอเลย ใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาแล้วมาถึงวาระนึงอาตมาก็ประกาศว่าเอ้ามารวมกันหน่อยมาเร่งกันหน่อยกระดมกันขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้จูจี้ไม่ได้พรัมเพลืออะไรมากมายเราก็ทําพอสมควรก็มา ก, กันได้เป็นระยะระยะแต่ระยะนี้สงสัยจะต้องพูดกันมากขึ้นแล้วว่าหนึ่งเร่งรัดพัฒนาคุณภาพคนข้างในของเราขอให้พวกเราในสังวรสํารวมภาคปฏิบัติเพื่อกระทําการเอาใจใส่เพิ่มอิทธิบาทให้มากขึ้นหน่อยผู้ที่อยู่แล้วนี่แหละ จะได้เพิ่มคุณภาพของพวกเราขึ้นไปถ้าไม่งั้นไม่ทันบอกแล้วเราห้ามไม่อยู่ฟังให้ดีนะห้ามไม่อยู่จริงๆเนี่ยอาตมาพูดนี่ไม่ใช่โมเมใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดอยู่เป็นอยู่ในสังคมคุณจะเข้าใจอาตมามากขึ้นว่าทำไมอาตมาไม่เผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศข้างนอกอกว้างๆเขาจะไม่เพราะอะไร เพราะว่าถ้าอาตมาประกาศไปข้างนอกข้าอะไรนี่มันก็จะมีปริมาณคนรับรู้มากขึ้นและถ้าเปิดข้างนอกก็ตื่นตัวพอๆพกันนี้แล้วคุณใจเป็นยังไงขณะนี้แบนติดดินกันหมดเลยข้างนอกเขาก็แสวงหานะสัจธรรมน่ะและเขาไม่ค่อยติดเหมือนคนไทยด้วยเพราะคนไทยเนี่ยถือว่าพุทธและก็ถูกหลอกว่าพุทธที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นคนไทยก็เชื่อว่าเอ้ยอส ม, มันผิด ขณะนี้เขาก็จะผิดเพราะฉะนั้นเข้าใจให้เข้าใจว่าอโศกผิดเนี่ยมันดีไปพอสมควรเพราะมันต้านกั้นเราไว้ด้วยถ้ามันมนเข้าใจว่าถูกหมดมาเลย63ล้านแบนแน่เลยเพราะเรามีแค่ 60, 600, 6 6สิบหกล้านมาเนะี่ยแบนแน่ๆ น, นเลยนะเพราะงั้นอาตมาที่ต้านข้างนอกไว้เนี่ยพวกไม่เพิ่มปริมาณคน ทำไม่เช่นนั้นมันจะมาเร็วเกินไปแล้วมาแรงมาเหมือนกับโอ้โหลาว่าจากภูเขาไฟระเบิด<ๆ>ก็ตายกันพอดีที่เปเหลืออะไรใช่ไหมเพราะงั้นที่อาตมาทมอยู่นี่ก็ได้คิดได้ประมาณได้พยายามจัดสรรวิธีที่จะนำพาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ให้ค่อยๆดำเนินไปตามลำดับตามจังหวะไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าอาตมาทำโดยโง่ๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ใช่ไม่ได้เจตนาด้วย ไม่ใช่ไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งไม่ตั้งใจจะแกล้งตั้งใจจะทําให้มันโกงโก้ไม่ใช่ทําเพราะว่ามันมันต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วมันจะไปไม่รอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะว่าเอาละในเวลา10บโมงครึ่งแล้วนะพระอาตมาก็ขอสรุปสุดท้ายว่าพวกเราจะต้องมาสําคัญในเรื่องของการจะเพิ่มคุณภาพกับ ขอบอกประกาศไปทั่วว่าผู้ที่ควรจะต้องปลดปลงได้แล้วไอเรื่องโลกียะไอโลกโลกที่คุณเป็นอะไรตลุงตุงติงอยู่นี่ยนนะ่ะหลายคนมาได้ทันทีไม่ได้มีวิบากอะไรมากมายแต่ไปงอ ง, งอนกิเลสมันอยู่ไปเอาใจมันอะไรนักหนาลรากิเลตัวเองอะ่ะกล็ลองต้องแต่งอยู่เงั้ยนนะ่ะระวังนะเดี๋ยวนี้ยโรคระบาดก็มาก โรคบาบ้าบอๆก็มาเรื่อยๆไอ้โรคมันก็ไม่หยุดยั้งการพัฒนาตัวของมันนะมันมาจะโรคอะไรก็ไม่รู้มันก็มาอยู่เรื่อยมันจะกินอะไรไม่อะไรหรอกรถชนตายเป็นการตายที่มีอัตรามากที่สุดกว่าโรคใดๆประเทศเอื่นแตามาไม่รู้แต่ประเทศไทยเนี่ย ชั่วโมงสองชองั่วโมงสามคนอัตราการตายนี่พศสี่สิบห้าเป็นสถิติเมื่อพศสี่สิบห้าแล้วขณะ น, นี้ทุกงานสงกรานอัตราก้าวหน้ามันเพิ่มขึ้นทุกปีรัฐบาลบอกว่าจะพยายามให้ลดให้ลดปีกลายนี้ก็หน้าแตกไปแล้วไม่ลดปีนี้ก็จะพยายามให้ลดอีกอัตมาจะดูสถิติการตายของสงกรานปีนี้ทีขณะนี้ก็ ทรัพย์ติติติแล้วตรวจสอบการตายด้วยอุบัติเหตุด้วยรถราเนี่ยได้สองชั่วโมงต่อสมคนชั่วโมงละคนครึ่งตายลงตายล ง, ตายลงเพราะอันนี้เนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนมากก็โรคใดๆระวังนึกว่าฉันยังนุ่มฉันยังสาวฉันยังแข็งแรงสู้กับรถสิบล้อไหมอ่า อาตอมานึกถึงนึกถึงตรงนี้แล้วนึกถึงตั้งแต่ครั้ง อ, ตอาตมาเป็นคารวาสยังยังไม่ได้เรียนยังไม่จบหรอกอาตอมาเข็นการ์ตูนการ์ตูนหนึ่งรูปหนึ่งเขยนเป็นรูปรถยนต์เสร็จแล้วก็รูปสิปตรีมีแสงเอง่างของมันสิบตรีมีแสงเดินรถยนต์มันก็ชนแล้วรถยนต์นก็แหกไป รถยนต์พังนะรถยนต์มันแหกไปแต่ไอสิบตรีนี่ดูบังเฉยไปเข้าใจไม่หมายความว่าอะไระเจ้าสิบตรีเนี่ยมีแง่งแล้วก็เามีแสงรัศมีของแง่งออกแล้วก็เดนยิ้มเพลงกับแง่งเนี่ยแล้วรถเนี่ยมันชนกลางตัวกลางลำเลยแต่รถฉีกไปเลยเขียนรถนี่มันฉีกไปเลยไอ ตัวเสฟตีนี้ไม่เป็นไรแต่รถแหกไปเลยหมายความถึงคนหลงอัตตาหลงหลาบหลงยศหลงอะไรจ ะ, ะไรเนี่ยขนาดรถยนต์ชนเนี่ยมันยังรถพังเลยไอ้คนที่หลงอัตตาเนี่ยมันยังไม่พังมันยังไม่เป็นอะไรเลยมันหลงคือมันลึกไปหน่อยจนคนดูไม่รู้เรื่องนี่เขียนตั้งแต่เขียนการ์ตูนนะเสร็จแล้วเขาก็ดูกก็ไม่รู้เรื่องอตาตมาเออมันไม่รู้เรื่องเว้ย เรารู้อยู่คนเดียวขนามาพูดกับพวกเราพวกเรายังรู้ไม่เคยชัดรู้ขึ้นบางหรือยังนะรู้ขึ้นบ้างแล้วนะความหมายมันลึกไปหน่อยเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็พยายามนะจะทําอย่างไรที่จะลห ล, ลงก็ให้มันเลิกหลงก็ต้องบังลาบเรามีเยอะทิ้งมันไม่ลงยอดเรามีสูงทิงมันไม่ลงตอนนี้ก็มีคนลาออกจากงานอนะ ลาออกจากงานก็ยังห่วงหลายคนเนี่ยยังห่วงว่ามันยังไม่ถึงยี่ิบห้าปีมันยังไม่ได้บำนาญยังตงแต่งตงแต่งอยู่พวกนี้โจอตายมีบางคนเหมือนกันบอกว่าโอ้ไม่เอาต้องรีบลาออกก่อนยี่ิบห้าเดี๋ยวมันจะได้บำนาญไม่อยากเอามีมีบางคนมีคนไม่ไลาลาออกก่อนยี่ิบห้าปีไม่งั้นมันเดี๋ยวมันติดเรื่องด่านบำนาญไม่ดีเราเป็น เป็นหนี้เขาอีกยิ่งไปเอาเงินเขามาเราไม่ทางานแล้วเนี่ยเป็นบํนานาญเขาเอามาแล้วไม่ทํางานแล้วก็ไปเอาเงินเขามากินอยู่ทุเดือนทุเดือนเลยเนี่ยว่ามันจะเป็นหนี้หลายคนก็คิดอย่างนี้นแต่คนที่ยังไม่ใช่อย่างนี้ก็คือเรื่องขอถึงยี่ม้าฟรีก่อนแล้วมันจะได้บํนานาญแล้วเราก็จะได้มากฟรีๆกินนี่ก็คือการคิดยังไม่ฉลาดพอนะนแค่คิดกันดยูนะ่หลายคนอนยะุยี่ม้าปีเป็นนานแล้ว30ปีเราแก่งักเราก็ยังไม่ยอมออกเลย ยังไงก็ไม่รู้ละนะนี่อาตมาพูดไปก็ไม่ใช่เร่งไม่ใช่ไปเร่งไปรัดอะไรแต่ก็บอกให้รู้ตัวว่าเราวันเวลามันผ่านไปผ่านไปตอนนี้ก็มีความต้องการต้องการมวลต้องการการผนึกแรงผนึกพลที่เราจะต้องเสริมสางสิ่งที่มันจะเกิดมาซึ่งอาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่อาตมาพูดเล่นมันเป็นจริงกระแสสังคมเขายอมรับเราเนี่ย เขายอมรับเราจริงๆแล้วมันมากขึ้นเราห้ามไม่ได้และก็ไม่ควรจะไปห้ามเขาด้วยใช่ไหมเขาจะรับยอมรับเราเนี่ยมันก็เป็นความดีมันก็เป็นความจริงแล้วแต่เราสิกลับไม่รู้ตัวกลับไม่เตรียมตัวกลับไม่พยายามที่จะตั้งรับให้มันสมบูรณ์ให้มันได้ผลได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทางานไม่ว่าจะเป็น มวลของบุคคลก็ตามที่จะเป็นองค์ประกอบของสังคมชุมชนมนุษยชาติเราก็ต้องมีเพิ่มทุกอันเพราะงั้นสถานที่เราก็เพิ่มโรงเรือนโรงงานอะไรเราก็ต้องทำขึ้นมานบางทีเนี่ยทำอย่างไรจะสร้างชาราพิบาลให้จัดสัดส่วนให้คนแก่ไปอยู่จะได้ทุนอะไรลงไปอีกอทำอย่างไรจะมีอาคารที่พักนี่อบรมกันก็เวลาจะอบรมก็ที่พักคนมาพักก็ไม่ค่อยมี โอ้ลำบากลาบนมันก็ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยดูดีเท่าไร่เลยคนก็ไม่ค่อยได้มันก็ทารุนบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่จริงให้เขาขัดเกลามันก็ดีเหมือนกันนะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อมันพร้อมมันก็ดีกว่าจัดสัดส่วนเรามีวิธีอยู่แล้วที่จะสอนที่จะแนะนําอะไรพวกนี้นะเพราะะต่างๆนานาพวกนี้เราจะต้องเสริมสารทุนร้อนเราก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่มากมันก็น้อยๆอยู่เราะฉนทุนร้อนเราก็ต้องเสริมสารไปด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นโรงงานเป็นเครื่องทุนแรง หรือเป็นเครื่องช่วยเสริมประสิทธิภาพเครื่องมือเทคนโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพเราก็ต้องมีต้องเพิ่มต้องอะไรกันอยู่ต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งเราก็ก็ทำไปแต่ละจุดแต่ละอัน แ, แต่ละด้านยิ่งเราเองไม่สะสมเงินแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุที่จะช่วยงานทุนแรงหรือประสิทธิภาพที่จะได้มากขึ้นให้มันทันการทันงานหลายอย่างต้องซื้อเป็นเรือนล้า น, นเราเงินก็ไม่เคยพอ มีอยู่อย่างหนึ่งที่อัตตาบาว่าพวกเราอย่าไปสแสวงหามากคือที่ดินที่ดินตอนนี้เรามีเฟอร์ด้วยซ้ําเพราะงั้นใครจะเอาที่ดินมาถวายใครจะเอาที่ดินมายัดเยียดตอนนี้เนี่ยเผ่าขอให้เผ่าตั้งเงินไขไว้ให้ดีๆไม่รับง่ายๆที่ดินนอกจากชุมชนที่เขาจะขยายผลของที่ของเขาแต่ละที่แต่ละที่เป็นชุมชนที่ เอาทีนี้เขามีหมู่กลุ่มเขาจําเป็นต้องมีที่ดินที่กลุ่มจริงๆจะให้เขามาอยู่แหมเขาจะอยู่เชียงรายเขาจะให้มาตั้งอยู่ที่สีสเกตนี่มันกับกระไรอยู่เอามาใช้ที่ดินสีสเกตแล้วมันจะไปตั้งกลุ่มจริงอเชียงรายได้ไงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆเขาจําเป็นต้องตั้งกลุ่มต้องมีที่ดินที่เชียงรายอ้าวเขาวาดไปอย่างไงก็เป็นความเหมาะสมแต่ถ้าเผื่อว่ามันยังไม่มีหมู่ยังไม่มีกลุ่มยังไม่มีอะไรหรือมีอยู่เหมือนกันอะมีคนเดียวสองคนหคนนี่เราจะต้องซื้อที่นี่ห้ไร่ สต๊ <Stop> <laughs> อปเปดย่าเลยหยุดเถิดหนะยุดไว้เลยอย่าเลยสต๊อปเปดเลยหยุดไว้เลยอย่ามายุง่งนะ <laughs> เพราะว่ามันไม่สมควรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็พูดมันมีอะไรมากมากายกองที่อาตมาจะต้องอธิบายให้พวกเราฟัง mm hmm. เพื่อเราจ ะ, ะได้ฉุกคิดหรือว่าเออ รู้ตัวไวทันแล้วเราก็จะได้ช่วยกันเพราะอาตมาคนเดียวรู้อยู่คนเดียวแล้วไม่บอกไปบางทีมันก็ไม่ไวทันเนาะมันก็เออยังไม่ค่อยมันไม่ไวไวทันนะมันมันพอมันรู้ตัวเออมันก็ดีมันจะได้ช่วยกันระมัดระวังช่วยกันทำอะไรใดๆเข้ามาแล้วได้ก็ได้พอสมควรนะนะเอาละก็ขอย้านะว่าใครที่ควรจะมาร่วมกันก็เชิญจัดสรรตนเองปลดภาระปรงภาระ เลิกละนั่นเองเลิกละกันมาสบ้างอย่าไปยึกจักยึกจักแหม่ไม่ได้เรื่องได้เราระวังเสือกรุงนะเสือกรุงเกลือนเถื่อนบ้าฆ่าไม่เลือกเลือดแดงเถือกเกลือกล้วทั่วแห่งห น, นเสือกรุงเนี่ยพวกรถราเนี่ยเสือกรุงมันฆ่าตายยิ่งกว่าเสือป่า เสือป่ากัดคนตายไหมโดยปีหนึ่งไม่กี่คนหรอกเกือบจะไม่มีโดยซ้ําไปเดี๋ยวนี้ไม่มีเสือจะให้กัดแต่เสือกรุงนี่เต็มกรุงเลยมันฆ่าคนเนี่ยสองชั่วโมงสมคนนะมาระวังเสือกรุงมันกัดไปกินอันแรกคว่าเสือกรุงมันก็ไม่ใช่แต่เฉพาะรถยนต์มันไม่เฉพาะรถสิบล้อมันจะเฉพาะรถเสือกรุงเสือกรุงที่ใส่เสื้อนอกเยอะอยนุ่งเงา เสื้อคลุงใส่เสื้อนอกไปเยอะมันรวมๆไปมากนะแล้วเลือดเย็นด้วยเลือด ไ, ไหลในด้วยไม่ไหลออกข้างนอกอีกต่างหากนะเสื้อกรุงเนี่ยมันมันมากเอาละพูดไปมันก็เยอ ะ, อะก็ขอสรุปให้รู้เตือนกันให้รู้ว่าเราจะต้องหนึงต้องคุณภาพข้างในต้องมาจัดสรรเพราะเราตอนนี้เราประชุมวางหลักสูตรวางระบบวางอะไรต่อะไรกันให้ดีขึ้นสิ่งใดสูญเสียสิ่งไหนที่มันรั่วมันซึมเราก็พยายามอุดพยายามทำอะไรที่มันจะเจริญขึ้นก็นมารวบรวมพลัง รวบรวมแรงงานจัดสรรแบ่งแจกทําระบบทํารูปแผนอะไรกันนั่นมาให้ลงตัวดีดแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญคุณภาพได้ ท, ทั้งทางธรรมและทางโลกหรือทางวัตถุและทางนามธรรมเราก็จะทําได้ส่วนบุคคลที่ยังเออละเหยนะ่าลอยชายลอยหญิงอะไรก็แล้วแต่อยู่ข้างนอกยังไม่ค่อยจะรู้โลกรู้สังคมเกาไปถึงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งๆ ท, ที่ชื่อว่าฉันอโศกนะจ๊ะอโศกนะจ๊ะ แต่ก็ไม่เข่าท่าอะไรอยู่ยังระวังพยายามที่จะลดละปะปะ่อยเรายังได้รวมถ้าพลเมืองหรือประชากรของบ้านราชขณะนี้263คนเพิ่มขึ้นปีนี้เพิ่มกึนเป็น400แจ๊วเลยปฐมภูมโผเพิ่มขึ้นอีกศรีษะโผล่เพิ่มขึ้นอีกเราไม่รับคนสเปสปา ท, ทั่วไปนะเรารับคนที่เราควรรับเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราเท่านั้นนะที่จะมาอยู่กันได้ คนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ไม่ได้เข้าเกณฑ์เข้าะระเบียบข้อบังคับอะไรของเราเข้าไม่ได้หรอกเราไม่รับอยู่แล้วพอจะมาเป็นสมาชิกก็ต้องมาเลือกมาเพราะงั้นผพุที่จะมาได้จริงๆนะได้คุณภาพถึงแต่ไม่ยอมมาจะเอาทูบแพรเทียนแพรไปงอหรือไงฮะ เราวออัตาโตขึ้นไปเราบวมเลยอัตาบวมเลยนะเอาที่ทุกแพที่แพร์ไปงอให้มาเนี่ยเราอัตราบวมเลยนะ น, ยยนะ <c oughs> นี่ก็พูดให้ฟังนะนอกนั้นก็คุณภาพของเราและก็ปริมาณมวลที่เราควรจะเพิ่มสองอย่างนี้เพราะว่าอันโน้นมันเกิดแล้วเราห้ามมันไม่ได้นะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ปฏิญญาณตนนะอ้าบัด น, นี้เราจะได้ปฏิญญาตนกันแล้วน ะ, ะกน็เดี๋ยวก็ นโมก่อนแล้วเราก็จะได้เริ่มแนกระดาษอันนี้ก็ขาดหมดละนโมตัสสะภควัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภควัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภควัโตอรหโต สัมมาสัมพุทธเส้า ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญญาณในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่2ี่แปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลายจะขอบำเพ็ญธรรม ประพติตนอยู่ในศีลแปด อ, อันได้แก่แกปานาติปาตาเวรมณีาาาามจะขอตั้งใจประพืชเว้นขาดการฆ่าสัตว์เ ว, ตวเว้นขาดความโหดร้ายรุนแรง เว้นขาดการเบียดเบียนใดๆจะพยายามสร้างเมตตาธรรมอัจฉริน า, านาเวรมณีาาามจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการขโมยเว้นขาดการเอาของผู้อื่นด้วยเชิงเอาเปรียบ จะพยายามสร้างสัมมาอาชีพพยายามสร้างสัมมาอาชีพขยันสร้างสรรค์สร้าง ส, งสรรเสียสละเสียสละละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวพอพมจริยาเวรมณีอมจริยาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดเรื่องเมทุนธรรม เว้นขาดเรื่องกรรมคุ ณ, คณจะเป็นผู้เลิกละลดราค ะ, ละลาจะเป็นผู้กำหนดรู้เท่าทันในกรรมมุสาวาทาเวรมณีจะตั้งใจประพฤต เว้นขาดการพูดปดเว้นขาดการพูดหยาบเว้นขาดการพูดส่อเสียดเว้นขาดการพูดเพ้อเจ้อจะพยายามพูดแต่เป็นสาระถะเป็นธรรมสุราเมระมัตชะ ปมาตฐานาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดการเสพติดมัวเมามีอบายามุกทั้งหลายเป็นต้ น, ม, าา ม, นมีกามต่อมามีโลกกระทแปดอี ก, ล ก, อกและเว้นขาดการยึด ภาวะอัตภาพทั้งปวงวิการาโภชนาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากอาหารและเครื่องใช้ที่ควรเว้นควรเลิกจะกินจะใช้ตามที่กำหนด จะเป็นผู้พยายามเป็นผู้มักน้อยและสันโดษนัจคีตะวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปณะทารณะมัดนดณะวิภูสนทานา เวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากท่าทางอันไม่สมควรคำพูดที่มีเสียงสำเนียงอันไม่สมควรเช่นฟอนรัมดนตรีตรเป็นต้ น, น, ตนหรือเว้นขาดจากดอกไม้ของหอม เครื่องตกแต่งพอกทาเครื่องประดับเว้นขาดจากฐานะแห่งการแต่งงามประดิษฐ์ประดอยอุจจาสยนะมหาเสยนาเวรมณีจะตั้งใจประพฤติเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนใหญ่ เว้นขาดจากการรักของใหญ่เว้นขาดจากการสะสมของใหญ่ที่สุดเว้นขาดการหลงติดความใหญ่สีนทั้งหลายเหล่านี้หากข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤต ข้าพระเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ได้ผลถ้าหากข้าพระเจ้าทั้งหลายตั้งใจประพฤติก็ย่อมได้ตามธรสมควรแก่ทรรดังนั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายจัก ตั้งใจศึกษาฝึกฝนภาคเพียรบำเพ็ญตามที่หมู um ่คณะได้นำพาช่วยเหลือเกื <s <S ้อกูลกันเลยกันด้วยดีให้สุดความสามารถข้าประเจ้าทั้งหลายขอตั้งใจปฏิจาณไว้ ณโอกาสนี้ตามนี้บุษงเสรังเกจชา स र ण ं गचा ् छ